พระไตรปิฎกเล่มที่16สังยุตตนิกายนิทานวัตรสังยุต ท, ที่สี่อนามาตขะสังยุตประมวลเรื่องสงสารหรือสังสารวัตรคือความเวียนว่ายตายเกิดมีเบื้องตนและที่สุดอันตามไม่พบจึงควรที่จะเบื่อน า, นายคลายกำนัดในสังขารควรที่จะหลุดพ้นไปติงกันดสูตร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 วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าท่าทอนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครันรวมกันแล้วจึงมัดมัดละสี่นิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้น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 วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลานานในที่นี้หมายถึงเกิดและตายมานับไม่ถ้วนจึงมีซากศพในอดีตมากมายทับถมกันอยู่เต็มปาชา้าหรือเต็มแผ่นดิน ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อนายควรคลายกำนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงปัตวีสูตรว่าด้วยแผ่นดินพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบูรุษพึงปั้นมหาปฏิปีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่ า, มาเมล็ด ก, กระบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรา นี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนมหาปัตตพีนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องตน้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัญหาผูกไว วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณิฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายสวยความทุกข์สวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง อัดสูรสูดว่าด้วยน้ําตาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นตรัสแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร น้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์ทร ง, สงแสดงแล้ว น้ำตาที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปนั้นนี้แหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ถูกแล้วภิกษุเธอทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกรกรวนร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจ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 ของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวของบุตรทิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเร่โรคมาช้านานน้าตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายกล่ำโกรวนร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะลัดรากจากสิ่งที่พอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นตนนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลจึงควรเบื่อนายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงหมายเหตุผู้อา่านสำหรับสั่งยุทธนี้และสั่งยุทธต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อมีประโยคซ้ำในพระไตรปิฎกฉบับเต็มท่านจะใช้ปยยัญญาใหญ่ย่อไว้หมายถึงกลุ่มคำเหล่านั้นในที่นี้ผู้อ่านก็จะใช้คำว่าเป็นต้นนั้นเหมือนสังยุตที่แล้วนะครับคีรสูตว่าด้วยน้ำนมพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่เธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการละนา น, นี้ที่ดื่มแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าน้ำนมของมารดาที่ดื่มแล้วนั้น มากกว่ามาหาสมุทรทั้ง 4. สี่ทรงรับรองว่าถูกแล้วเธอทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่เธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการลณนานนี้ดื่มแล้วนิลมากกว่าส่วนน้ำในมาหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสงสานี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้นควรเพื่อหลุดพ้นปรัะตะสูตรว่าด้วยภูเขาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามว่ากับหนึ่งนานเพียงไร ตรัสตอบว่ากับหนึ่งนานนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีกราบทูลถามว่าจะทรงอุปมาได้หรือไม่ตรัสว่าอาจอุปมาได้เปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยธ กว้างหนึ่งโยสูงหนึ่งโยศไม่มีช่องไม่มีโพรงบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีซึ่งเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากลูกภูเขานั้นหนึ่งร้อยปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้น นานนักหนายอย่างนี้บรรดากับที่นานนักหนายอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้นภิกษุเพราะเหตุนี้แหละจึงกวนเบื่อน า, นายกลายกําหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงาสาสัปปสูตรว่าด้วยเมล็ดพากาศภิกษูทูลถามพระผู้มิพระภาคเรื่องกับว่านานเพียงไรตรัสว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นแต่อุปมาได้ดังนี้ เรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กในที่นี้หมายถึงกำแพงของนคร น, นี้ทําด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยตกว้างหนึ่งโยตสูงหนึ่งโยตเต็มด้วยเมล็ดผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนาคร น, นั้นหนึ่งร้อยปีต่อหนึ่งเมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนานนักหนายอย่างนี้บรรดากับที่นานานักหนายอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปไม่ใช่หนึ่งกับไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับและไม่ใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้น ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงโดยในยะเดียวกันเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้มีอายุหนึ่งร้อยปีมีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละหนึ่งแสนกับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปไม่ถึงยังมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูป มีอายุหนึ่งรปีมีชีวิตอยู่หนึ่งรปีพึงมรณภาพไปทุกหนึ่งรปีกับที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนายอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้แสนกับเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ควรเพื่อหลุดพ้น ขังคาสูตรว่าด้วยแม่น้ำคงคาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชครือครั้งนั้นพรามคนหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมีมากเท่าไรทรงตอบว่ากับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากนักหนา ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้แสนกลับแต่อุปมาได้ว่าเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดสายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้ว มากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกลับเหล่านั้นว่าเท่านี้ร้อยกลับเท่านี้แสนกลับเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาขีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปสัตว์เหล่านั้นก็เสวยความทุกข์เสวยความลาบาก ได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพรามเพราะเหตุนี้แลจึงควรเบื่อนายควรคลายกำนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วพรามผู้นั้นได้กราบทูล ส, สันเสริญพระภาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิต ทันทสูตรว่าด้วยท่อนไม้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นเขตกรุงสาวัตถีตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชากิดขวางผู้ถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเป็นต้นนั้น เรียบเหมือนท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชากิดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น บางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้นควรเพื่อหลุดพ้นปุคละสูตรว่าด้วยบุคคล สมัยหนึ่งราผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาคิดจกูดเขตก ร, รุงราชคือณที่นั้นทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสงสารมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้นโครงกระดูกร่างกระดูกรองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับ ถ้านำกระดูกนั้นนำมากองรวมกันได้และกระดูกกิ่ ก, กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึงใหญ่เท่าภูเขาเวปุละนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นต้นนั้นควรเพื่อหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคผู้สุขสัสดา กรันตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าเราผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไ ว, ว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับถึงกองสมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวบุละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิชกูด ซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แวนมคตเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกเหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกขและอริยมรรคมีองค์แปดอัญญสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะทำที่สุดทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปทุติยวัตหมวดที่สองทุกขะตัดสูตรว่าด้วยผู้มีความทุกข์นักลุ่มสาวัถีทรงแสดงเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องตน้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเ่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชากิจขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้มีความทุกข์มีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงสันนิฐานบุคคล น, นี้ว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยสวยความทุกข์เช่นนี้มาแล้วโดยกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นตนนั้นควรเพื่อหลุดพ้นสุขิตธัสูตรว่าด้วยผู้มีความสุขภิกษุทั้งหลายสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เป็นตนนั้นเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้ พึงสันนิฐานบุคคลนี้ว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยสวยความสุขเช่นนี้มาแล้วโดยกาลนานเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ควรเพื่อหลุดพ้นติงสมัติสูตรว่าด้วยภิกษุสามสิบรูป พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณสาสิบรูปทั้งหมดหล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ส่งพาตรายจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณส0สิบรูปนี้ล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นนั้นแต่ยังมีสังโยชน์ทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมให้แก่ภิกษุเหล่านี้มีจิตหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมัน่นขณะที่นั่งบนอาสนะนี้แลลํลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค จึงได้ส่งแสดงเรื่องนี้ว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรโลหิต ท, ที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลาย ผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนา น, นี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสีอย่างไหนจะมากกว่ากันกราบทูลตอบว่าโลหิตที่หลั่งไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนา น, นี้แหลมากกว่าตรัสว่าถูกแล้ว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 ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสีไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ซึ่งถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะ ด้วยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นในทางเปลียวเป็นโจรประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะด้วยเหตุเหล่านั้นมาช้านาน โลหิตที่หลั่งไหลนี้แหลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ควรเพื่อหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณภาสิทธินี้อยู่ จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณส0สิบรูปก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นสำหรับประมวลพระสูตรต่อไปคือตั้งแต่มาตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นมารดาปิดตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นบิดาพาตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่ชายน้องชาย ภักินีสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่สาวน้องสาวบุตสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นบุตรและทีตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นทิดาเนื้อหาเหมือนกันทุกประการนะครับในที่นี้จึงขอสรุปมาให้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยการลนา น, นี้ มิใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาโดยการละนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวผู้ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาโดยการลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกทันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเธอทั้งหลายได้สวยความทุกข์สวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าชา้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลจึงควรเบือ่อนายควรคลายกำนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเวปุลละปับพะตาสูตรว่าด้วยภูเขาเวปุลละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูรเขตกรุงราชฤรึ์ทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้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 มนุษย์เผ่าติวรามีอายุประมาณสี่0มืนปีมนุษย์เผ่าติวราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลาสี่วันลงก็ใช้เวลาสี่วันสมัยนั้นพระผุ้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวากกุสันธ ะ, ะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าวิทุระ และสันชีวะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แลหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นก็ป ร, รินิพานแล้วพิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหลจึงควรเบือ น, นาย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 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมน ะ, ะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระสา ว, วกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าพิยโยสะและอุตระเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แลหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้ว และพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปริทิพานไปแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ควรเพื่อหลุดพ้นเรื่องเคยมีมาแล้วผู้เขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าสุ ป, ปิยามีอายุประมาณสองหมื่นปี ขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลาสองวันลงก็ใช้เวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวากัรสป ะ, สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติดสะและภารัวาชะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แลหายไปแล้ว มนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ป ร, รินิพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ควรเพื่อหลุดพ้นแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าเวปุลละเหมือนเดิมก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่า เผ่ามาคาทะมีอายุน้อยน้อยนิดผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงหนึ่งรอปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามาคาทะขึ้นภูเขาเวปุ ล, ละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและบัดนี้เราเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก มีสาวก ค, คู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคลานะสมัยนั้นภูเขานิแลจักหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จกตายและเราก็จักบรินิพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ เพราะเหตุนี้แหลจึงควรเบื่อนายครคลายกำนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้สุกศสดาได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวราภูเขาวงกฎของหมู่มนุษย์เผ่าโรฮิตต์สะภูเขาสุปัสสะ ของหมู่มนุษย์เผ่าสุปิยาและภูเขาเวปุลละของหมู่มนุษย์เผ่ามาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขจบ อนนามาตกะสังยุตประมวลเรื่องสงสารหรือความเวียนว่ายตายเกิด